คาถาวัตถุวันนี้จะนำเอาคาถาวัตถุสองเรื่องคือเรื่องลำดับที่สองร้อยสิบสี่และเรื่องลำดับที่สองร้อยสิบห้ามาอธิบายในเอกสารชุดที่หนึ่ง้อยห้าสิบห้าสำหรับเรื่องแรกก็มีชื่อเรื่องว่าวิริตะคาถาแปลทับศัพท์ว่าเรื่องความวิปริต แลคําว่าความวิปลิตนั้นบาลีแล้วก็ใช้อีกคำหนึ่งว่าวิปลาดคําว่าวิปลิตก็ดีคําว่าวิปลาดก็ดีแปลว่าความคลาดเคลื่อนหรือความเพี้ยนผิดไปจากความเป็นจริงหรือไปจากความที่มันเป็นเรียกว่าวิปลิตหรือวิปลาดก็มีปัญหาในสถาวัตถุเรื่องนี้ว่า คำว่าวิปลาสหรือความวิปลิตนั้นในกรณีของคนที่เกิดีิเลเกเช่นเกิดทิติกิเลสคือความเห็นผิดเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิ ญ, ญางเป็นสิ่งที่เป็นตนก็ดีหรือเป็นสิ่งที่เป็นสุก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นของเที่ยงก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นของสวยก็ดี ความเข้าใจผิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิปัสสคือความเห็นผิดในรูปและในนามหรือในเป็นยะาขาันโดยอาการตียอย่างระวทีได้มีความเข้าใจว่าในกรณีของการตีความอารมณ์คลาดขึ้นหรือผิดอย่างนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นอคุรน ล, ละทัศ แม้ส่วนที่เป็นกุศลธรรมคืออย่างในกรณีของผู้ที่ทํำฌานสมาบัติที่มีการเพ่งกระสินศีกเป็นอารมณ์เป็นต้นว่าเพ่งปัตวีกสินปัตวีกสินที่เป็นอารมณ์ฌานนั้นถือว่าเป็นอารมณ์ที่ผิดไปจากความเป็นจริงไม่ได้เป็นอารมณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าคนที่ทําปัตวีกสินนั้นแรกทีเดียวก็เป็นดินปกติ ที่เอามาแต่งแล้วก็เพ่งไปจนกระทั้งดินนั้นได้ผิดจากบริกรรมสมาธิหรือบริกรรมกระสิโจนกระทั่งกลายเป็นอุกาห์พัมิตรหรือปุกหรือเป็นสมาธิขั้นสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปอีกก็เป็นปฏิภาคพิมิตรตึงสมาธิก็ละเอียดขึ้นไปอีกสมาธิละเอียดขึ้นไปด้วยอํนนานาจของอารมณ์ที่เปลี่ยนไป และว่าเมื่ออารมณ์ยังไม่เปลี่ยนหรืออารมณ์หยาบอยู่เนี่ยสมาธิก็ไม่เปลี่ยนแสดงให้เห็นว่าสมาธิที่เพ่งปฐวีกระินเป็นอารมณ์ที่มีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นชั้นๆให้เห็นอย่างน้อยก็แบ่งเป็นสามชั้นเนี่ยค่ะเป็นความรู้ที่วิปลิตเพราะสิ่งที่เป็นอารมณ์ให้การรู้นั้นเป็นของผิดไปจากเดิมเหมือนกับคนที่เกิด ท, ที่วิปลาส สำคัญขันห้าว่าเป็นตนทั้งๆที่มันไม่ใช่ตนอันนี้ก็ถือเป็นความผิดเพราะฉะนั้นประวาทีจึงมีความเห็นว่าวิปรราาัสสาธรรมนั้นควรจะมีฝ่ายกุศลด้วยนอกเหนือไปจากฝ่ายกุศลที่ว่ามาแล้วนะหรือวิปรรัสสนาและวิปรราาัาสฝ่ายกุศลก็คือการเข้าตสิงการเข้าสมาบัตินี่แหละครับเป็นวิปรราาัาสฝ่ายกุศลธรรมดังนั้นประวาทีจึงแสดงความเห็นว่า ผู้เข้าสมาบัติมีปัทวีกสิเป็นอารมณ์ชื่อว่าเป็นความรู้ประดิษหรือผู้ที่มีความรู้อย่างนี้หรือมีฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์นั้นเป็นความรู้ประดิษเป็นผู้มีความรู้ประดิษแต่เพราะว่าที่ว่าเป็นความรู้ประดิษเนี่ยบา ง, งทีฌานเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของสมาธิน่าจะเรียกว่าสมาธิประดิษฐ์ แต่ในที่นี้ท่านยกเอาปัญญาในสมาธิหรือในฌานนั้นเป็นตัวตั้งก็กล่าวว่าความรู้คือสมาธิญาณญาณในสมาธิเป็นความรู้วิปลิตเพราะเพ่งปัตตวีกสิ่ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นอารมณ์เราจรึงได้นำเอาคำพูดที่กล่าวที่เราถือว่าเห็นผิดเน่เป็นความเข้าใจผิด ปัจจใจผิดอย่างไรเนี่ยของเราก็จะได้ชี้แจงต่อไปแต่ที่ว่ามาทั้งหมดนั้นเป็นการอธิบายทาความเข้าใจถึงข้อคิดหรือเหตุผลของฝ่าสารวาทีว่าทำไมเขาจึงมีความเห็นดังที่เราถามในข้อหนึ่งว่าผู้เข้าสมาบาัติมีประทบิจิตินเป็นคารลมีความรู้วิปริตเราจึงได้ถามว่าหรือพระาวาทีก็ตอบวาชเพราะ อารมณ์นั้นผิดไปจากเดิมความรู้ในอารมณ์ที่เพี้ยนไปจากเดิมความรู้นั้นก็ต้องเป็นความรู้วิปปิลิตด้วยผมจะอธิบายภายหลังว่าทําไมเราถึงว่าไม่เห็นว่าวิปปิลิตนะแต่ในนี้ก็มีพูดพูดไปโดยลําดับแล้วเราดูข้อสองต่อไปข้อสองนั้นสกวาววะที่ได้ถามพระวาทีว่ามีความเห็นในสภาวะที่ไม่เพียงว่าเพียง ที่เรียกว่านิ้จวิปราสมีความเห็นในสภาวะที่เป็นทุกขก์ว่าเป็นสุขที่เรียกว่าสุกว่าวิปราสมีความเห็นผิดในสภาวะที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเรียกว่าอัตตาวิปราสมีความเห็นผิดในสภาวะที่ไม่งามว่างามคือสุปาวิปัสสหรือนะหรือปราวาตีบอกว่าไม่ใช่แต่คําถามที่สองนั้นเป็นการ อนำเอาวิปัสสธรรมที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกไว้ไหนมากคือวิปัสสธรรมตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนั้นมีเท่านี้เนะหมายถึงอกุปลรธรรมพวกนี้เท่านั้นเอเราก็รู้ว่าไอวิปาัเสธรรมประกอบด้วยสภาพธรรมสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนจิตส่วนจิตน้ะในพูดง่ายๆส่วนจิตอีกส่วนหนึ่งคือส่วนอารมณ์ ส่วนจิตนั้นมีเป็นสามส่วนคือทิฏฐิอันหนึ่งทิฏวิปราสสัญญาอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญาวิปราสแล้วก็จิตอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตตะวิปราสนี่เป็นวิปราสส่วนความคิดหรือส่วนจิตทีนี้ความคิดที่จะวิบราสเนี่ยมันต้องมีอารมณ์ที่มันคิดด้วย อารมณ์นั้นก็คือขันห้าที่รับสัตธรรมขันห้าให้เป็นอารมณ์โดยได้ความว่านิจจสุขะอัตตและสุบัแนั่นก็มีเป็ส่วนอารมณ์ส่วนจีตอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิปัสสธรรมในหลักของพุทธเจ้านั้นจึงต้องกำหนดลงไปว่าต้องเป็นความวิปาส สองส่วนส่วนใดส่วนเดียวไม่ได้อารมณ์ก็วิปาัาสาจิตก็วิปลสสาจึงจะเป็นวิ ป, าปาัาสาธรรมถ้าหากว่าอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ผิดไปจากเดิมไม่เรียกวิวปลาสนาทัจิตเป็นกุศลนะตรงนี้น่าน่าคิดว่าทํำไมทําไมถึง ไม่เจงวิปลาสก็เพราะว่าอันนี้ขอให้นึกว่าเมื่อจิตเป็นอกุศลแล้วก็ปลารลบรูปนามโดยความเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาและปัสปะเนี่ยความในความรู้สึกของจิตที่เป็นอกุศลนัล้นมีความสําคัญมั่นห ม, มายดีจางว่าเป็นตนจริงๆริงนะอันนี้ขอให้นึกว่าเมื่อเราเกิดอกธิเลศอย่งางใดอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยแล้วปลารลบอะไรเกินอารมณ์ในขณะนั้นเราจะต้องเกณฑว่าจิตทั้งเหล่านั้น มีความมั่นหมายจริงจางเช่นเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังกับเรื่องที่เราโกรธหรือเกิดความกำหนัดยินดีสิ่งใดสิงหนึ่งในขณะติตกำหนัดเกิดขึ้นนั้นจะมีความรู้สึกจริงจังนี่เป็นวิปลาสจริงๆอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะมีปัญญัติเป็นอารมณ์ เสี้นเราไปว่าพระพุทธรูเปเห็นพระพุทธรูป ใ, ในตขนาะนั้นว่าหน้าเริ่อมใสแล้วก็เกิดความสุขตาเนี่ยจิตของเราขณะนั้นไม่ได้มีความมั่นหมายจีิจังน ะ, ะในทางยึดได้หิเล<ม>ก็เรียกว่าถ้าจะให้นึกว่านี่เป็นบัญญัติเราก็รู้นี่เป็นบัญญัติมันไม่ใช่ของดีคือเรียกว่าพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนจิต ของคนที่เมื่อกําลังเป็นนักบุลอยู่ดังนั้นความนป็นวิปัาสนั้นจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วนนี้จึงจะนับว่าเป็นวิปาัาสนาถ้ามีจิตเป็นกุศลแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นวิปาัาสอย่างกรณีของคนที่เขาเข้าฌานเนี่ยแล้วก็เพ่งกับสิ่เป็นอารมณ์ในขณะที่ฌานในจิตเกิดเนี่ยทํากับสิ่นั้นให้เป็นอารมณ์อยู่นั้น เขาไม่ได้มุ่งวิจารตัวกรินมีผูดถึงในขณะที่เข้าฌานนะก็เป็นแต่เพียงอาศัยมาเป็นที่คือก็อาศัยอารมณ์นั้นเป็นเครื่องมือสะกดจิดตัวเองให้สงบกันนั่นเองแต่ว่าถ้าเมื่อใดคนเข้าฌานนั้นไม่มีความรู้ในในหลักอานิจารจังสังนัตตาหรือหลักธรรมะที่พอออกจากฌานแล้วแล้วก็มาวิจารฌานก็ดีวิจารอารมณ์ของฌานก็ดี อาจากเกิดวิปลาสภายหลังไ ด, ด้คือเมื่อมาออกจากฌานแล้วเนี่ยก็เกิดอากุลสีขึ้นเกิดทิฏฐิขึ้นทิฏฐิวิปลาสติตาวิวลาสสัญญาวิปลาขึ้นว่ากสินนั้นเป็นตนที่แท้จริงตนของเรามีสีเขียวตนของเรามีสีเหลืองเต็มตนของเรามีสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างตนของเราขนาดเท่านั้นต้นของเราขนาดเท่านี้อย่างนี้เป็นเวลา ที่ท่านครูนั้นได้ออกจากฌานแล้วแล้วเป็นโอกาสที่ อ, อุนแรงจะเกิดวิปรายก็เกิดตรงนี้นะแต่ขณะเข้าฌานแล้วจะไม่มีความคิดวิจารเวลาเข้าฌานเนี่ยคือความคิดมันจะดิ่งอยู่ในรสชาติของความรู้สึกเท่านั้นเองจะไม่วิจารอารมณ์ซึ่งจะผิดกับเรื่องของการทําวิปัสสนาวิรัสนานั้นเมื่อจะตามแล้วตัว อาตาปีและแม่จาร น, นตติมานั้นจะเจาะแทงลงไปในอารมณ์จกวิจารอารมณ์คล้ายๆกัคนฟังเพลงอะ่างเช่นเราฟังเพลงอะไรก็ได้เราจะฟังเอาความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าฟังหลักวิจารเนี่ยเราจะฟังเอาความเข้าใจในเนื้อความหือฟังและเจาะแทงคำพูดอันนี้เป็นส่วนตา่าง สองเรื่องนี้การทําสมาธิกับการทํำมิปัสนาก็ต่างกันอย่างนี้คนทําสมาธินั้นเอาอารมณ์เอาอะไรมาเป็นอารมณ์ตางแต่ว่าเวลาเพ่งนะจะ เ, เพ่งเอาความรู้สึกสงบไม่เจาะอารมณ์ไม่ใส่ใจที่จะยั่งรู้อารมณ์นั้น <c oughs> ถึงจะหรือจะเป็นปรมาัยอารมณ์บ้างในบางสมาธิแล้วก็เป็นบัญญัติอารมณ์บ้างในบางสมาธิ แล้วก็ในขณะนั้นจะไม่มีความมั่นหมายในอารมณ์นั้นอย่างขณะที่จิตวิบล่าเกิดขึ้นปรากฏอยู่นี่เป็นต่วนต่างที่สําคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็รับอารมณ์สมุติได้แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นวิบลา่าตอนรับอารมณ์สมมุตินั้นท่านไม่ได้มีความต้องการมั่นหมายและในขณะที่ไม่สำคัญมั่นหมายในี่ยจะวิจารหรือไม่วิจารก็ตามนะ จะคำว่าวิจารณ์หมายถึงวิจารณอารมณ์นั้นว่าอย่างไรหรือไม่ก็ตามจะไม่มีความสําคัญมั่นหมายด้วยความรู้สึกอย่างที่เด็กสําคัญมั่นหมายแล้วข้อนี้เป็นเป็นต่วต่างที่สําคัญแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเทียบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับคือเวลาคนที่จิตเป็นกุศลแล็จับอารมณ์ที่เป็นสมมติเนี่ยแม้ว่าจะจับอารมณ์ที่สมมุติว่าเป็นตนหรือจับอารมณ์ที่อืที่ สมมติว่าเป็นงามเนี่ยนะมันจะไม่มีความถล่มใจเข้าไปเหมือนกับอตัวกิเลสเหมือนกับจิตแพทย์เนี่เวลาเขาพูดกับคนไข้ที่เป็นโรคติดถ้าเราดูอยู่ห่างๆดอูอย่างไม่เข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าทั้งแพทย์และทั้งคนไข้บา้าเลยกันเรต่างคนก็ต่างคุยกันเป็นตู่เป็นตาลากเราบ้างกันใช่ไหม แต่ว่ามองดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าคนคนไข้เต่า น, นั้นบ้าเพราะคนไข้นั้นมีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายจริงๆกับหมอกับค่อยคําของหมอกับเรื่องของตัวกับเรื่องหลอกคลอนแต่ผู้ที่ติดอีเดียแพย์นั้นไม่ได้มั่นหมายไม่ได้ถล่มความคิดเข้าไปในนั้นแล้วก็ถึงจะไม่วิจารณ์ว่าอะไรยังไงตลอดเวลาอาารแต่ความยั้งใจยังมีอยู่ แต่ถ้าวิจารณ์เนี่ยก็จะรู้ว่าออกไปตามทำไ ม, า ห, มหมอหมอก็บอกได้ว่าทําไมถึงแดงอย่างนั้นอย่างนี้ไปเที่ ร, รับสมัครเป็นศูนยเป็นตาง อ, อย่างนั้นอย่างนี้กับคนพวกนั้นฉันั้นเวลาจิตเป็นกุศลเนี่ยจะมีสภาพอุปมาเหมือนอย่างดีนะหรือผู้ใหญ่พูดกระเด็กเหมือนกันบางทีก็พูดเหมือนก็นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเราก็รู้ออกผู้ใหญ่เขาพูดกระเด็กเขาก็ต้อง ทำท่าทำทางไปอย่างนั้นหรือพูดเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ที่แจ้แล้วก็ไม่ได้ล่วงเลยความรู้สึกเข้าไปอย่างเด็กรู้สึกประจันวิปัสสนาพระพุทธเจ้าจึงหมายเอาเฉพาะอาคุศนกิจิตหรือพูดง่ายๆอ่ะพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าอารมณ์สมมุติของอาคุศนกิจิตเนี่ยเป็นวิปัสสนาเป็นวิปัาสนา่ายอารมณ์นะแล้วก็อาคุศนกิจิตนั้นเป็นวิปัาสไป่ายจิต ซึ่งต้องคู่กันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้พระฉะนั้นเรื่องของเข้าการสมาบัติเนี่ยถึงจะมีสมมติเป็นอารมณ์ยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะจรื่องนี้ครับเรามาดูข้อสามข้อสามกาวาทีได้ถามว่าผู้เข้าสมาบัติมีปัณฑวีกสิงเป็นอารมณ์มีความรู้ปลิษฐ์หรือ ก็เป็นคำถามยัติประวัทิทีก็ตอบรับว่าใช่ด้วยเหตุผลคิดในแง่อารมณ์เป็นสำคัญนะฮะว่าไปายวิป ร, รากตรรมก็ไปเยี่ยคิดขันห่าวว่าเป็นนิกายเป็นกลุ ก, กัางเป็นอัตตาแล้วก็เป็นลูกบาฉันใดเป็ฉันนั้นผู้เข้าฌานไปสำคัญดินตลดิดเปิดเปิงไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีอยู่ในความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นกุศลวิปลาสหรือเป็นปัญญา ว, วิปลาสอ่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ปราปฏีเขาตั้ความคิดนี้ขึ้นเราก็จึงได้ถามถามเข้าหาหลักที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าในข้อสี่เนี่ถามว่าเป็นอกุศลหรือที่ว่าเป็นอกุศลหรือนะถามว่า ทานธรรบัตรที่เพ่งปณวีกับสิ่งเป็นอารมณ์เป็นอกุศลหรือทําไมต้องถามว่าเป็นอกุศลหรือเพราะว่าจะเป็นวิปลาสได้นี่ความจริงตัวหลักเนะ่ยมันอยู่ที่ตัวจิตนะอารมณ์นั้นเป็นเพียงภาพความคิดที่ส่องให้เห็นว่าคนคิดนั้นวิปลาสเหมือนกับคนบ้านคนบ้านเนี่ยก็มีความคิด เป็นเป็นตัวปรมามัดนะเป็นตัวสาระเป็นตัวทาอันตรายคนคนนั้นคือดวงจิตที่วิปลาสของเขาแล้วก็เมื่อจิตของเขาวิปลาสแล้วก็ทำให้เกิดมโนภาพวิปลาสคือมีอารมณ์วิปลาสดังนั้นค่าของความเสียหายจริงๆเนี่ยก็คือเสียหายที่ตัวบุคลคลเราถือเป็นตัวหลักอารมณ์นั้นเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวที่เราพอจะคาดอย่าง จากอารมณ์นั้นว่าอ๋อคนนี้พูดออกมาอย่างนี้เข้าใจเรื่องนี้ไปอย่างนี้นะแสดงว่าจิตของเขาไม่กกปกติจิตของเขาวิปลาชเนี่ยเหมือนกับการอธิบายวิปรัชนี่ก็อารมณ์ที่แสดงออกที่เข้าใจที่รึกถึงต้องได้เห็นว่าจิตของบุคคลนั้นสีสภาพคลาดคลื่นและนั่นเป็นอกุศลเพราะนั้นอกุศล ยิาตในสองส่วนเนี่ยถ้าถามว่าที่ว่าเป็นอกุศลส่วนไหนเป็นอกุศลก็ต้องตอบว่าส่วนกิตใช่ไหมส่วนกิตเป็นอกุศลส่วนอารมณ์นั้นเป็นบัญญัติครับไม่ถือว่าเป็นอกุศลเราถามข้อห้าต่อไปว่าเป็นกุศลมิใช่หรือประวัติกระเป๋าวาจาัน เพราะว่าผู้เข้าฌานนั้นจิตเป็นกุศลแล้วก็นี่จะต้องกล่าวว่าเป็นกุศลชั้นสูงด้วยแล้วพอกุศลเนี่ยถ้าจะเทียบในกลับในระดับต่ำถ้าจะเกณฑ์เอาว่าวิปัาสนั้นควรจะพูดถึงเอกุศลถึงกุศลระดับต่าำก่อนนะจริงจะควรคือกุศลให้าตาหนาตาสีธรรมดาเนี่ยนะแต่นี่ไม่พูดถึงไปพูดถึงกุศลชั้นสูงเลย จึงเป็นมหาขตากุศลกุศลที่เข้าถึงเมื่อวามยิ่งใหญ่ไม่ควรจะกล่าววิปัสสนาเป็นกุศลอันสูงแต่กุศลนี้ก็ไม่ใด้เป็นตัวทาราวิปนะัสสนาเพราะว่าไม่ใช่การทำวิปัสนากรมมฐานดังนั้นคำถามที่สี่กับที่ห้านั้นจึงเป็นอันว่าเราถามเพื่อที่จะแยกฐานนัของวิปัสสนาปรธรรมออกมา ว่าวิบุราจะทำในจุดที่สาคัญที่สุดนั้นก็คือตัววิปราฝ่ายผิที่จะต้องเป็นอกุศลธรรมที่เป็นกุศลธรรมแล้วไม่นับว่าเป็นวิปุราแม้จะคิดว่ายังไงงก็เป็นวิปราโดยเหตุผลว่าไม่มีความสัมพัญมั่นหมายาที่ผมได้กล่าวแล้วแล้วเราก็มาดูข้อหกในข้อหกสกาวาทีสามว่า สภาวะที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงสภาวะที่เป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์สภาวะที่เป็นอนาตตาเห็นว่าเป็นอัตตาสภาวะที่ไม่งามเห็นว่างามเป็นความเห็นผิดและเป็นอกุศลหรือประวาทีตอบว่าใช่ในที่ตอบว่าใช่เนี่ยก็เพว่าเราได้เอาวิปัสสธรรมมาถาม วิปัาสธรรมนั้นไอ้สภาวะที่ถูกเห็นถูกเข้าใจไอ้เนื้อจริงเนื้อแท้มันคือรูปและนามหรือรูปเวญจนาสัญญาทังขานีกอย่างแต่ว่าเมื่อเอากุศลและจิตมากระทำรูปเวญจนาสัญญาทั้งขานยินยานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ถึงคือไม่ถึงตัวความคิดนั้นได้เพี้ยนไปเป็นตนเห็นรูปเป็นตนเห็นเวญนาเป็นตน หังคาไม่ยันตนเป็นตนแล้วก็เห็นเป็นที่หยงเป็นสุขเป็นงามผิดไปจากความเป็นจริงของมันเองไอ้ความคิดทีด่ผิดไปอย่างนี้ผิดจริงๆแล้วก็สําคัญมั่นหมายอย่างนั้นจรงเห็นเป็นจริงเป็นจังอย่างนั้นจริงๆริงในขณะเกิดกุตตระิตขึ้นเพราะฉะนั้นฐานะของวิปัาสธรรมเนี่ยจริงเป็นอกุตตระจิ มันรู้สึกจริงๆนะนี่ขอให้นึกว่าเมื่อเราเกิดอคุสโอนแล้วิดขึ้นแล้วปลารบสิ่งใดที่เป็นเรื่องอย่างโน้น อ, อย่างนี้น่ะติดขณะนั้นมันเอาจริงๆครับคิดจริงๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครกันนั้นจะต้องคิดจริงๆกับสิ่งนะถ้าอคุสโอนนั้นตัวยังละไม่ได้นะหมายถ้าเป็นโรถบรรทุกอุสโนบางตัวไ ด, ด้ก็ไม่ต้องให้คิดอย่างนั้ น, นะแต่ว่าอย่างปุติชนดาว น, นี้นทุกคนก็จะเหมือนกัน จริงๆว่าจะแรงหนักแน่นขนาดไหนก็นั่นเองแต่ว่าที่เรามาพูดกันรู้เรื่องเนี่ยขอให้นักเทีย่ยงในเข้าสู่สภาว่าจริงๆของตัวเราเองเนี่ยนะว่าเราพยายามจะพูดว่าไม่งามก็ดีไม่เที่ยงก็ดีไม่สุมก็ดีหรือไม่แค่ตัวตนก็ดีถ้าเรานึกตามด้วยอคูสต์แลจิตเราจะนึกไม่ตั้ใจเลยครับ นึกแยง้งนึกไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนแต่ที่เรามันนึกเข็นด้วยนึกเข้าใจได้จริงๆนะไม่ใช่แกล้งใจนะเมื่อนั้นผิดเราเป็นกุศลธรรมเราจะพรนึกเข้าใจได้แต่ก็ไดเห็นว่าก็ยังยากที่ยากในเพราะว่าอกุศลที่เราสั่งสมไว้กับความวิปราชเหล่านี้มันเข้ามาตัดเราถึงรู้สึกว่าเข้าใจได้ยากหรือเข้าใจแล้วไม่ซึ้งก็เพราะเหตุนี้ซึ่งก็จะแสดงว่า อากุศลธรรมเมื่อสำคัญตู้เวชนาสังคารอีกอย่างโดยความเป็นต้นเป็นตนแล้วมันเอาจริงคิดจ ร, จริงๆเหมือนคนบ้าไปจริงๆรเลยเียเพราะนั้นในข้อบกที่เราถามประวาทีถึงสภาพของวิปรสสาธรรมสี่อย่าง แล้วก็กําหนดฐานะว่าเป็นอกุณลธรรมใช่หรือไม่ตรรยาวัดดีเองก็ตอบราบประจานอันนี้คือจุดแใจที่สําคัญทาไมใจอคุณลธรรมแล้วไม่เป็นวิปัสนาดังนั้ในความคิดในทางกุศลที่มันปิดพ่วงไอ้เรื่องอิทธิพลของอคุศลรมาทําให้กุศลของเราเมื่อเกิดเนี่ยแล้วมันมีตนมีอะไรก็ไปถูกพันเนี่ยเข้าไปประกาศหน้าประกาศหลังน่ยมันเป็นพลังของวิปัสสาที่เราตั้งมาอย่างเพี้ยนคน จึงรู้สึกว่าเกิดกุศลแล้วก็เหมือนเช่นมันโดนตอนหน้าตอนหลังด้วยวิบราสธรรมเหล่าทำให้กุศลเราไม่บริสุทธิ์หรือเกิดไม่ต่อเนื่องเกิดไม่ถึงกำลังเต็งที่ในปัญหาที่เจ็ดเราถามประรวาตีว่าผู้เข้าสมาบัติมีปฏิบัจะสิงเป็นอารมณ์มีความรู้ประณิชและนั่นเป็นอกุศลหรือพระรวาตีตอบว่าไม่ใช่ นี่ก็เป็นการถามเพี้ยเพราะว่าทานทุกทานที่เป็นกุศลนะครับและอารมณ์จะเป็นอะไรนั้นไม่จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาทําให้การ น, นั้นเสียความเป็นทานหรือเสียความเป็นกุศลหรือทําให้เกิดความเปลี่ยนฐานะไปเป็นกุศลวิปลาสได้อย่างไดเพรว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอง จะเจริญในกุศลธรรมเรื่องต่างๆได้ที่จะเว้นจากบัญญัติเป็นปัจจัยนะไม่มีเลยต้องอาศัยบัญญัติเป็นปัจจัยเท่านั้นคําไม่ว่าจะเป็นคำสอนคําเทศตัวหนังสือต่างๆเหล่านี้เพิ่งได้แบ่งบัญญัติตามโมหานึงผมว่ามันมีสองพวกพวกหนึ่งเป็นบัญญัติที่เป็นพาญาติของกิเล็กกับอีกพวกหนึ่งเป็นบัญญัติที่เป็นพาญาติของปัญญา บัญญัติที่เป็นทายายทของกิเลสเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากกิเลสตั้งขึ้นมาแล้วก็เมื่อเราเตะคุ้นกับบัญญัติเหล่านั้นแล้วก็เป็นปัจจัยติดกิเลสต่อไปแต่บัญญัติที่เป็นทายาทของบัญญานะั้นเกิดขึ้นจากปัญญาแล้วเมื่อคนไปต้องเตะเกี่ยวข้องกับปัญญาเหล่านั้นแล้วก็จะเจริญในปัญญาอย่างคำตอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ถือว่าโราจากทรงบัญญัติขึ้นเรื่มากปัญญาของพระองค์ครับเราเมื่อได้ สัตย์สับฟังธรรมะมที่พระภูมิเนียบภาครงบัญญัติแล้วแสดงแล้วทําให้ตื้นใน้ง่ายแล้วเราก็ได้ปัญญากระทั่งสามารถที่จะแทงตลอดได้ว่าอะไรเป็นปรมัติรอะไรเป็นสมุติแล้วก็สามารถที่จะถอนความติดแม้ในปรมัติรนั้นและแม่ในสมุตินั้นได้จริง ๆ, ๆก็เพราะอาศัยบัญญตัติพวกนี้เวลานผููที่เขาเพ่งกระสิงเนี่ยเขาก็อาศัยบัญญัติมาเป็นปใจใัจจัยเกิดความสงบญญ ก็เป็นผลได้อย่างหนึ่งของปัญญาแล้วพวกนี้เขาก็จะรู้กันว่าการจะทากรสินให้เกิดสมาธิดีควรจะทําอย่างไรคนบางคนนะต้องทากระสินดวงเล็กคนบางคนต้องทากรสินดวงใหญ่เพราะอะไรเนี่ยในทฤษฎีที่สืบสายกันมาในทางครูบาอาจารย์ของพวกที่เขาทาทางนี้ก็าเล่นทางนี้เขารู้ก็ถือเป็นความเฉรีวฉลาด ในคำถามที่แปดเราในที่แปดอะไรอย่า ง, างนะคคำถามที่แปดแล้วก็ถามว่าผู้เข้าสมาบัตมีปัทวีกับศินเป็นอารมณ์มีความรู้วิปลิตและนั่นเป็นกุสนหรือนี่เป็นการถามทับซอนกันให้ชัดขึ้นว่าถ้าท่านกล่าวว่า ก็มาบัตรที่มีสิส่เป็นอารมณ์มีประวีเป็นอารมณ์เนี่ยะเป็นความรู้ประดิษแล้วนั่นเป็นกุศลด้วยใช่หรือไม่ปาราวาทีก็บอกป่าใช่แต่ที่เราเอามาซ้อนถามอย่างนี้ก็เพื่อที่จะแสดงว่าถ้าลองเป็นวิปป่าแล้วหรือเป็นวิปปิลแล้วจะต้องเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลนะแต่ถ้าปาราวาทีมาคิดเอาไปชานหรือมาอธิบายฌานว่าเป็นวิปป่าไปด้วยก็หมายความว่า วิปัาสนั้นมีสองส่วนวิปัาสส่วนที่เป็นอกุศลธรรมกับส่วนที่เป็นกุศลธรรยในที่นี้ปารบาบัติก็ยอมรับว่าใช่นะยอมรับว่าใช่ผิดนะตอนนี้ผิดเลยคือผิดตอนเข้าไปอีกเลยทีเดียวแหละว่ า, วปาเป็นวิปัาสนาดวยแล้วเป็นกุศลด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะกุศลธรรมนั้นไม่เป็นวิปาัาสแม้จะรับบัญญัติเนี่ยก็ไม่ได้มีความ อำคันมั่นหมายเป็นตุเป็นตับยุติเหมือนอย่างอากุศลธรรมผิดนะครตามที่ได้อธิบายมาแล้วในตอนต้นเราก็เลยได้ถามขอ้อก้าวต่อไปว่าสภาวะที่ไม่เพียงเห็นว่าเที่ยงสภาวะที่เป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุขสภาวะที่เป็นอนาาัตตาเห็นว่าเป็นอนตาสภาวะที่ไม่งามเห็นว่างามเป็นความเห็นผิดแล้นั่นเป็นกุศลหรือนี่เป็นการถาม อโยงไปหาวิปัสสนาธรรมบาว่าอถ้าอย่างนั้นวิปัสสาสี่อย่างเนี่ยเป็นกุศลได้อย่างนั้นหรือคือถ้าหากว่ากล่าวว่าทานเป็นวิปลิศได้แล้วก็เป็นกุศลได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เหมืองวิปัสสนาเนี่ยที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นสี่เนี่ยนะ เป็น ส, สอย่างโดยโดยอารมณายอมแล้วก็โดยจิตเป็นสามอย่างคือโดยจิตกายวิปลาสทิฏฐิวิปลาสัญญาวิปลาสใจตรงสามอย่างนี้ก็จะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนคือคือถ้าเขียนเป็นภาพบนกระดานเนี่ยเราต้องเขียนว่าจิตวิปลาสมีเป็นสองส่วนสัญญาวิปลาสมีสองส่วนแล้วทิฏฐิวิปลาสก็มีเป็นสองส่วนคือสมัอมมาทิฏฐิวิปลาสกับมิจฉาทิฏฐิวิปลาสนะ อกุศลสัญญาวิปลาสกุศลสัญญาวิปลาสกุศลจิตวิปราสอกุศลกิตวิปลาสแล้วก็เมื่อเสียนออกมาอย่างนี้ก็แยกเป็นส่วนของอารมณ์พ่วงออกมาด้วยกันโยงเข้ามาด้วยกันเป็นสีว่ากุศลสัญญาวิปลาสกุศลที่สัมมาทิฏฐิวิปลาสแล้วก็กุศลจิตตวิปลาสเนี่ยก็วิปลาสว่าไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข แล้วก็ไม่ใช่ตนนั่นเป็นตนไม่งามบ่างามนะมันก็่อยออกมาได้อย่างนี้เช่นเดียวกันกันกบวิปลาสายกุศลลามอย่างที่ว่ามาแล้วก็่อยออมาเป็นสี่ไอ้ตรงนี้นะอาจารยมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเกิดกุศลธรรมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเที่ยงไม่เที่ยง เราลองมาคิดกันให้เห็นจริงเห็นจังกันบ้านิดนึ่งนะว่าเวลาจิตที่เราเป็นกุศลเนี่ยเรามีความคิดว่าเที่ยงหรือไม่แต่เป็นกุศลแล้วมันจะไม่มาคิดที่ภาคอุตสาหะนี้ แต่ถ้าหากว่ากุศลนั้นเป็นอนิจจสัญญาในขั้นปริยัตก็ดีในขั้นปฏิบัตก็ดีหรือในขั้นการทำใจก็ดีก็ปลาลบในสิ่งที่ไม่เพี่ยงตา น, นั้นถ้าหากว่าคนที่เป็นคนนอกศาสนาหรือไม่ดีปลาลบไอเรื่องอนิจจทุกขังอนัตตาเวลาเข้าไปทำบุญทำกุศลต่างๆเนี่ยบุญกุศลที่เกิดนั่นก็จะเกิด อาจจะเกิดปัญญาในแง่อื่ได้แต่ที่จะคิดว่าไม่เที่ยงเราผู้ให้ก็ไม่เที่ยงของที่ให้ก็ไม่เที่ยงผู้รับก็ไม่เที่ยงแน้กุศลธรรมกุศลกรรมที่ได้แล้ววิบักที่จะพึงประวดต่อไปประโหวยแล้วก็หมดไม่เที่ยงเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยไปเห็นความไม่เที่ยงแต่ความคิดวิการว่าเที่ยงเที่ยง ด้วยภูมิศรทธิ์นั้นแล้วก็วิจารยัง